Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเดือนธันวาคมก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงพ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อพระศกนิกกรชาวไทยทั้งประเทศนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุญเดชมหาราชในหลวงของพวกเราค่ะด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านดิฉันจึงใคร่ขอนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากทีเดียวเกี่ยวกับพระราชจริยวัรส่วนพระองค์อันงดงามและประเสริฐยิ่ง ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีในฐานะของพระมหากษัตริย์ยอดกระตันยูโดยเรื่องราวนี้แล้วรับการถ่ายทอดมาจากผานเอกพิเศษทองคำศีโยทินอดีตหัวหน้าอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพ บ, บกไทยในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม นายัวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าวนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณเป็นการถอดเทพคำบรรยายมาเรียบเรียงเป็นภาษาหนังสือที่กระชับและได้ใจความดีทีเดียวโดยคุณสมคิดระวางกูลค่ะ เรามาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระมหรกรัตรัยยยอดกระตันยูไปพร้อมกันเลยนะคะลูกๆทุกคนก็ได้รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูกสามหวังคือยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้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 ในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกเป็น The King of Kings แล้วในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกระตันยูด้วยความหวังของแม่ทั้งสามหวังในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราในหลวงทำกับแม่ยังไงตามอาจารย์มา อาจารย์จะใช้ภาพให้เห็นหวังที่1ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ใครเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าสเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงประคองเดินไปตลอดทางเคยเห็นไหมตอนสมเด็จย่าสเสด็จไปไหนนี่มีคนเยอะแยะมีทหารมีองครักษ มีพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงบอกว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่เราเราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทอิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใคร เป็นภาพที่ประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกระตันยูต่อแม่ประคองแม่เดินประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จสองข้างทางฝั่งนี้ 5,000 คนฝั่งนู้นแ0 0 0คนยกมือขึ้นสาธุแซสอง ส, สรรเสริญกษัตริย์ยอดกระตันยูในหลวงเดินประคองแม่คนเห็นแล้วเข้าประทับใจ ถ่ายรูปเอามาทำปฏิทินเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อแสดงความเคารพกราบไหว้ลองหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวโก้ลูกชายแต่งตัวโก้ลูกสาวแต่งตัวสวยแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลวมไม่โก้โกรมไม่สวยข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ติดเหรียญตราเหรียญกล้าหาญเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่กลัวไม่สง่ากลัวเสียศักดิ์ศรีเข้าใจว่าประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หลายคนให้ประคองแม่ไม่กล้าทำอายเวลาทาดีไม่กล้าทาอายเวลาทําชั่วกล้าไม่อาย ใครเห็นภาพในหลวงเดินประคองแม่นี้ท shelf, ี่ไหนกรุราซื้อใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้สอนลูกเห็นภาพชัดเจนไหมเท่านั้นยังน้อยไปมาดูภาพที่ชัดเจนกว่านั้นหลังงานพระบ ร, รมศพสมเด็จย <im bi> ่ <ary> <auen> าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่ามาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษตอนนั้นอายุ93ในหลวงสเสด็จจากวังสวนจิตไปวังศัตระทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจพาอเขาแถลงถึงตรงนี้อาจารย์ตกตะลึงโอ้โหขณะนี้เชียวหรือในหลวงเรา เสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละกี่วันทราบไหมพวกเราทราบไหมสัปดาห์ละกี่วัน5วันมีใครบ้างไหมที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันหายากในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันพวกเรา 4 7 4 8 4 9เร้อยเอกผลตรีอธิบดีประรัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งแม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยลูกบอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าวแต่มีเวลาไปตีกอล์ฟเห็นตัวเองหรือยัง พ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฟังฝนตกน้ำซ้ออีกไม่นานก็โค้นพอถึงวันนั้นเราก็ไม่มีแม่ให้กราบแล้วในหลวงจึงตัดสินพระไทยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันเมื่อตอนที่สมเด็จย่าอายุ93สัปดาห์หนึ่งมี7วันในหลวงไปกินข้าวกับแม่5วัน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 เห็นภาพชั้นแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปดูตอนกินข้าวทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มใครเคยเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงบ้างภาพนี้ถ้าใครมีต้องเอาไปใส่กรอบนะ เป็นภาพความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอาจารย์คิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไรเพราะไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นกระตานยูไม่นึกเลยว่า ลูกคนนี้จะกระตันยูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองคือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวง์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวารเกิดหลังวัดอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงหน้าเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าปัจจุบันเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กระตันอยู่กับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่ นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละเรียกว่าความหอมนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งแทนหอมความดีหอมคุณธรรมหอมความกตันยูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยตอนกินข้าวนี่ปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วย ยิ่งปลื้มใจแม่ทั้งหลายลองคิดดูซิอะไรอร่อยอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานร้วนแม่ชอบทานผักหยิบผักมาม้วนๆใส่ช้อนแม่เอ้าแม่แม่ทานซะของที่แม่ชอบแทนที่จะกินแค่สามคำสีคำ่คาก็จเจริญอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูก มีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่นี่คือการตอบแทนบุญคุณแม่เมื่อตอนที่เราเล็กๆแม่ก็เคยป้อนข้าวให้เราอย่างนี้แทนทั้งหลายกู้เงินเพื่อนมาห้าบาท10บาทถ้าไม่ใช่นี่เขาเขาก็ไม่คบเรากู้มาจากแม่เยอะแยะแล้วใช่นี่แม่คืนบ้างหรือยังคนที่กู้มาแล้วไม่ใช่นี่คืน คนคนนั้นคบไม่ได้คนที่จะคบได้เขาบอกว่าต้องรู้จัก give and t a k e คือรู้จักรับแล้วก็ต้องรู้จักให้ตอบด้วยแม้แต่กับเพื่อนถ้าเรารับแล้วไม่ให้เพื่อนตอบเขาจะตัดบัญชีบอกว่าเจ้านี่คบไม่ได้กินข้าเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่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 เวลาแม่สอนตะคอบแม่ตะวาดแม่กระทึบเท้าใส่แม่เบื่อจะตายอยู่แล้วรำคาญพูดายซ้ำซากเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีเรากำลังเหยียบย่ำหัวใจแม่พอสมเด็จย่าสอนในหลงจะเอากระดานมาจดมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่า ว, ว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิต ในหลวงยังเล็กอยู่เขามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆเขามีจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินโรงเรียนไว้สิเก็บมาหยอดกระปกุกวันละเหรียญสองเหรียญพอได้มากพอก็อไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอนแม่สอนอะไรทราบไหม ถ้าเป็นพ่อแม่บางคนพอลูกขอรีบกด ATM ให้เลยประเคนให้เลยลูกก็ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟื่อยเหลืองและหลงตัวเองแต่สมเด็จย่านี้เป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูกลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตังที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอนสองเรื่องคือหนึ่งให้ประหยัด สองให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีต้องประหยัดลูกใครไม่ประหยัดฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยไม่มีสิทธิเป็นเศรษฐีมีเท่าไหร่ก็หมดใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันอา้าแค่กระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไรเสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมนะ่ะมากกว่าเงินที่มีในกระปุกอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเรา คำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในส่วนจิตนี่คนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนเรามาดูกันต่อหวังที่สอง ยามป่วยไขย้หวังเจ้าเฝ้ารักษาดูว่าในหลวงทากับแม่ยังไงสมเด็จย่าประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชในหลวงไปเยี่ยมตอนไหนรู้ไหมในหลวงเสด็จไปเยี่ยมตอนตีหนึ่งตีสองตีสี่เศษ จ, จึงเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องประชุมปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ย่ายังไงจะเปลี่ยนยาไหมจะปรับปรุงการรักษาอย่างไงให้ดีขึ้นทำให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเห็นภาพไหมกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายชั่วโมง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 เราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยไปทุกวันไปให้ความอบอุ่นประทับอยู่วันละหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่จิริราชด้วยกันอยู่คนละมุมตึง ตอนเช้าในหลวงเปิดประตูออกมาพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบเดินออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกลับทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงเมียรับสั่งว่าแม่ของเรา ทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนอยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบซึง้งมาตามดูต่อ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 เขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงทำยังไงในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่ากลับลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย สบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหล น, นองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกลุ่มมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวเปรนี้แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้น มองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีหวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจอาจารย์ที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกตันยูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วกระสรทยอดกระตันยู พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูขอพระองค์จงทรงพระเจริญ